โทษของความประมาทความประมาทให้โทษอย่างไรดูเหมือนจะทราบอยู่ทั่วกันแล้วเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รู้จักตัวความประมาทแน่นอนแล้วเป็นต้องเห็นโทษความประมาทอยู่แก่ใจแล้วทุกท่านเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพรันาโทษของความประมาทไว้ต่างหากที่พูดมาแล้วแต่ต้นก็เป็นการพรันาโทษอยู่ในตัวแล้ว โปรดคิดดูว่าการทำงานของร่างกายเรามีสิ่งจำเป็นอยู่อย่างหนึ่งที่จะต้องใช้อยู่เสมอคือตาเรามีเท้าสำหรับเดินแต่เวลาเดินจริงก็ต้องลืมตาด้วยเรามีมือสำหรับเขียนแต่เวลาเขียนจริงก็ต้องลืมตาด้วยและไม่ว่าใครจะทำงานอะไรจําต้องใช้สายตากํากับไว้เสมอ ถ้าจะเว้นก็เห็นจะมีแต่คนนอนหลับเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่นับว่าคนทำงานจำเพาะคนทำงานแล้วจำเป็นหรือเกินต้องใช้ตาประกอบด้วยไม่เช่นนั้นอาจเสียเสียสวยเสียดีหรืออาจเสียหายร้ายแรงถึงตายก็ได้การทำงานของใจก็เหมือนกันจำเป็นหรือเกินที่จะต้องมีสติกำกับไว้เสมอ ตอนที่จิตอยู่ปราศจากสติคือขณะที่ใจลอยไปตามความคิดแทรกที่เราเรียกว่าประมาทะนั้นก็เหมือนกับคนหลับตาทำงานนั่นเองเสี่ยงผิดเสี่ยงเสียอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสียหายได้อย่างไม่มีขอบเขตหรือกฎเกณฑ์อาจเสียเพียงเขียนหนังสือตกตัวสองตัวหรือเสียขนาดพลัดตกหกล้ม หรือเสียขนาดต้องถูกปรับไหมหรือเสียขนาดถูกไล่ออกจากงานจนกระทั่งเสียขนาดติดคุกติดตารางได้ทั้งนั้นเสียจนตายก็ได้และอาจถึงตกนรกหมกไหม้กี่กับกี่กันก็เนื่องจากความประมาดนี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นคำขาดว่าปมาโทมัจจุโนโอปังความประมาทเป็นทางแห่งความตาย เยปมัฏตายถามตาใครประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วตอนบรรเทาความประมาทการที่จะบรรเทาความประมาทให้เบาบางได้นั้นมีหลักสำคัญอยู่ที่การเพิ่มภูมสติเมื่อมีสติอยู่ความประมาทก็เกิดขึ้นไม่ได้สติลดความประมาทก็เพิ่มสติเพิ่มความประมาทก็ลด ปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีสติพอดีสติเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งคนเราสามารถจะบาเพ็ญให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับธรรมะข้ออื่นๆเหมือนกันท่านที่ผู้บาเพ็ญสติได้ดีถึงที่สุดได้แก่พระอระหันเราเรียกท่านว่าสติเวปุระแปลว่าท่านผู้มีสติเต็มที่ไม่มีเผลอเลย นี่แสดงว่าสติทำให้งอกเหืยขึ้นได้และในทางตรงกันข้ามสติก็เป็นธรรมชาติที่เสื่อมลงได้เสียหายจนใช้ไม่ได้ก็ได้ดังได้กล่าวมาแล้วการฝึกฝนให้ใจมีสตินั้นเท่าที่ทางศาสนาและครูบาอาจารย์สั่งสอนกันอยู่พอจะสรุปได้ว่ามีสองวิธีคือหนึ่งทำจากข้างนอก เข้าหาข้างในและทําจากข้างในออกมาหาข้างนอกวิธีแรกเป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือใช้สิ่งต่างๆที่ได้พบได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจของเราให้เกิดสำนึกตัวที่เขาพูดกันว่าได้สติตามถนนสายสำคัญ เราจะเห็นเครื่องหมายสำหรับเตือนสติคนขับรถปักไว้หรือเขียนไว้เป็นระยะระยะเครื่องหมายเหล่านั้นก็อาจทำให้คนขับได้สติบางคนเขียนข้อความว่ายาประมาทติดไว้ที่ที่คนจะเห็นง่ายสะดุดตาและเห็นบ่อยๆในที่ทำงานทั่วไปเราจะเห็นมีกระดานดำแผ่นย่อมๆติดไว้ประจำตัวเจ้าหน้าที่ สำหรับเขียนข้อความที่จำเป็นต้องระลึกถึงลงไว้กระดานนี้เราเรียกกันว่ากระดานช่วยความจำซึ่งดูจะไม่สู้ตรงแท้เพราะความจำเป็นเรื่องของสัญญาเป็นคนละลักษณะกับสติสติคือความนึกขึ้นได้ส่วนสัญญาคือความทรงจำเรื่องราวต่างๆได้สิ่งช่วยความจำจริงๆคือสมุดโน้ต และเอกสารตำรับตำรานั่นช่วยความจำแท้แต่กระดานที่ว่านี้ถ้าใช้เขียนเพียงข้อความให้นึกขึ้นได้น่าจะเรียกว่ากระดานเตือนสติดูจะเข้าทีดีแต่ที่ว่านี้ว่าเฉพาะกระดานที่เขียนเพียงหัวข้อเรื่องไว้ถ้าเขียนรายการละเอียดไว้ด้วยเรียกว่าช่วยความจำถูกต้องแล้ว การบรรเทาความประมาทโดยใช้วัตถุภายนอกช่วยอย่างนี้ก็ได้ผลเหมือนกันแต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ผลถาวรเหมือนคนหูหนวกแต่ใช้เครื่องฟังเสียงช่วยก็พอให้ฟังได้แต่ถ้าจะให้ดีจริงรักษาหูให้มันหายหนวกเสียแหละดีวิธีที่สองที่ว่าทําข้างในคือฝึกจิตโดยตรง หัดใช้สติให้มันทันจิตวิธีนี้คือการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือทำให้สติจับจิตให้ทันนั่นเองจิตจะคิดอะไรสติก็ตามให้ทันคือให้รู้ทันในขณะจิตนั้นเมื่อทำนานเข้าจิตก็จะสงบที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิวิธีทำสมาธินั้นมีหลายแบบหลายวิธี เท่าที่ข้าพเจ้าพอจะนึกได้และทราบเรื่องบ้างในกรุงเทพเวลานี้ก็หลายสำนักสำนักวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีใช้วิธีเพ่งนิมิตสำนักท่านอาจารย์ลีวัดบางปิ้งสมุดปราการซึ่งท่านสืบต่อมาจากท่านอาจารย์มั่นและท่านอาจารย์มั่นสืบต่อมาจากท่าน อาจารย์เสาอีกชั้นหนึ่งใช้วิธีกำหนดลมหายใจสำนักวัดมห า, าธาตุท่าพระจันทร์พระนครสืบต่อมาจากเมืองพมา่าใช้วิธีกำหนดอิริยาบถสำนักพระอาจารย์สิงห์วัดป่ามะม่วงปราจีนบุรีใช้วิธีกำหนดจิตโดยตรงและยังมีแบบอื่นอื่นอีกมากซึ่งความมุ่งหมายก็ตรงกัน คือเป็นการฝึกสติให้ทันจิตเหมือนกันทั้งนั้นนอกจากวิธีที่พระอาจารย์สอนกันอยู่แล้วนี้ในตำราทางศาสนายัางแสดงวิธีอื่นไว้อีกมากซึ่งท่านผู้สนใจพอจะหาศึกษาดูได้จึงขอไม่นำมาบรรยายไว้ที่นี้เป็นแต่ขอชี้แจงจุดบังเกิดผลไว้เพื่อจะมีใครถามว่าการทำสมาธิจะมีผลในทางบรรเทาความประมาทได้อย่างไร และการทำสมาธินั้นเรานั่งทำอยู่กับที่เฉพาะเวลาเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิแล้วก็จะไม่เป็นไปอย่างเดิมอีกหรือในประเด็นแรกปรดเข้าใจว่าการทำสมาธินั้นเป็นการฝึกใช้สติกำกับจิตโดยตรงจนกระทั่งสามารถใช้สติจับจิตให้อยู่กับที่ได้ทำแรกๆก็จับได้ช้า อาจใช้เวลาตั้งชั่วโมงหรือกว่านั้นจึงจะจับได้แต่ท่านผู้ที่หัดทำอยู่เสมอก็สามารถจับจิตให้หยุดนิ่งได้ชั่วเวลาเพียงหนาที10นาทีทั้งนี้เป็นเพราะว่าจิตเชื่องเข้าและในโอกาสเดียวกันสติทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นเมื่อทำได้ในขณะนั่งสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิ ทำงานทำการอยู่ตามธรรมดาจิตกับสติที่ได้รับการฝึกไว้แล้วก็จะยังใช้การได้ดีอยู่คือจิตก็ลดความดิ้รนรนโลดผลจนทยานลงบ้างสติก็มีความคล่องแคล่วฉับไวขึ้นทำให้ความเร็วของจิตกับสติเกิดพอดีกันซึ่งเรียกว่าอัปปมาทะหรือ ความไม่ประมาทนั่นเองเขียนมาถึงตรงนี้รู้สึกส่งหอนใจจึงเห็นจะต้องทนหิวข้าวเขียนต่อไปอีกหน่อยคือส่งหอนใจว่าท่านผู้อ่านหลายคนซึ่งติดตามงานของข้าพเจ้าอยู่แล้วหรือสนใจในตัวข้าพเจ้าอยู่บ้างคงอยากจะถามว่าข้าพเจ้าได้ทำสมาธิหรือเปล่าและใช้แบบไหนจึงขอตอบไว้เสียเลยว่า ข้าพเจ้าสนใจปฏิบัติทางสมาธิมานานแล้วเริ่มฝึกทาครั้งแรกตั้งแต่อายุ12ขวบแล้วก็ทามาเรื่อยๆบางระยะก็เอาจริงเอาจังติดต่อกันเป็นเวลาถึง4ปีก็มีบางระยะก็เพียงแต่ทาประจําวันเวลานี้ข้าพเจ้าก็กําลังคอยโอกาสอยากได้เวลาว่างๆติดต่อกันสักเดือนจะได้ทำสมาธิให้จริงจังสักระยะหนึ่ง แต่ยังหาเวลาไม่ได้เพราะตำแหน่งของข้าพเจ้าเวลานี้เป็นตำแหน่งทำงานไม่ใช่ตำแหน่งคุมงานตำแหน่งทำกับตำแหน่งคุมภาระมันต่างกันตำแหน่งทำเหนื่อยมากแต่หนักน้อยส่วนตำแหน่งคุมเหนื่อยน้อยแต่หนักมากรับภาระคนละทางเหมือนคนขับรถกับคนในวงเล็บเจ้าของรถนั่งอยู่ในรถนั่นแหละ คนขับเหนื่อยกายต้องคอยบังคับรถตลอดเวลาส่วนคนนั่งหนักใจคอยคิดหาเงินซ่อมรถคิดหาน้ำมันเติมรถแล้วยังคิดเลี้ยงดูคนขับอีกด้วยนั่งอยู่เฉยๆแต่มันหนักตำแหน่งข้ารเจ้าเวลานี้ตกหน้าที่คนขับไม่ใช่คนนั่งจึงหาเวลาเปลีกตัวติดต่อกันถึงเดือนอย่างไม่ได้ อย่าว่าแต่ถึงเดือนเลยจะหาปลอดปลอดสักเจ็วันก็ยังไม่ได้นอกจากทำหน้าที่โดยตรงแล้วยังงานพิเศษอีกไหนจะรายการวันพุธไหนจะมุมสว่างไหนจะนาทีทองไหนจะเขียนไหนจะพูดสลับซับซ้อนกันอยู่เป็นระยะระยะของแต่ละสัปดาห์การทำสมาธิก็ไม่ทิ้งแต่ทำแบบประจำวันได้บ้างเสียบ้าง เหตุใข้าพเจ้าจึงไม่ทิ้งก็เพราะเห็นผลชีวิตและงานของข้าพเจ้าได้รับผลสนับสนุนมาจากสมาธิอย่างมากมายการทำสมาธิของข้าพเจ้าเริ่มแรกอาจารย์สอนให้พิจารณาอาสุภะคือพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าแต่ทำแล้วไม่ได้ผลพระอาจารย์ให้เปลี่ยนวิธีบริกรรม ท่านเปลี่ยนคำบริกรรมให้หลายครั้งได้ผลทางความสงบบ้างแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักสังเกตดูคำบริกรรมนั่นเองจูงใจให้คิดฟุ้งซ่านไม่เหมาะกับจริตของข้าพเจ้าที่หลังมาเปลี่ยนเป็นวิธีกำหนดลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติรู้สึกว่าได้ผลในทางทมให้สงบใจได้ และเหมาะกับจริตของข้าพเจ้าเองมากกว่าทุกวิธีเลยยึดวิธีนี้ต่อมาจนทุกวันนี้หลักการสาคัญคือกาหนดลมเข้าลมออกโดยเอาจิตจดจ่อไว้ที่ปลายจมูกที่ลมผ่านนับลมเข้าลมออกไม่ให้เผลอเลยนับเป็นคู่เป็นคู่และนับเป็นหมวดหมวดถ้าเผลอต้องขึ้นต้นใหม่เมื่อทำไปอย่างนี้ จิตจะค่อยๆสงบลงจนเป็นสมาธิไว้โอกาสเหมาะๆข้าพเจ้าจะเขียนวิธีปฏิบัติไว้ให้ละเอียดสักที